มีลูกมีหลานด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอพระองกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพระองค์อัลลอ์ทรงเอกะอัลลอ์นั้นทรงเป็นที่พึ่งพระองค์ไม่ประสูตด และไม่ทรงถูกประสูิและไม่มีผู้ใดเสมือเหมือนพระองค์